ธรรมบทแปลเรื่องโพธิราชุกุมารภาคที่หเรื่องที่หนึ่งร้สพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเพศกาลาวันทรงปรารบโพธิราชุกุมา ร, รตรัตธรรมเตสนานิว่าอัตานันเจปิยงชัญญารักเขยะนัง สุรักขิตังติ น, นังอัญญตาังยามังปฏิชักเขยะปันทิโตแปลว่าถ้าบุคคลทราบตนว่าเป็นที่รักพึงรักษาตนนั้นให้เป็นอันรักษาด้วยดีบัณฑิตพึงประคับประกองตนตลอดยามทั้งสามยามใดายามหนึ่งตอน พอที่ราชจุกามานสร้างปราสาทแล้วคิดข้าไหนช่างดังได้สดับมารพอที่ราชจุกามานรับสั่งให้สร้างปราสาทชื่อโกกะนุทะมีรูปทรงไม่เหมือนปราสาทอื่นๆบนพื้นแผ่นดินปานดังลอยอยู่ในอากาศแล้วได้ตรัสถามนายช่างว่า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 ปราสาทต์นี้ก็จะไม่น่าอัศจรรย์การที่เราฆ่านายช่างนี้เสียตัดมือและเท้าของเขาหรือควักในตาทั้งสองเสียย่อมควรเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจะสร้างประสาทต์แก่คนอื่นไม่ได้ดังนี้แล้วท้าวเจอได้ตรัสบอกความนั้นแกมานพน้อยบุตรของสันฉีวกะผู้เป็นสายรักของตน ตอนนายช่างตำนกรุตขี่หนีไปมานบน้อยนั้นคิดว่าพระรุชกมุมารพระองค์นี้จะพลานนายช่างให้ชิบหายอย่าไม่ต้องสงสัยคนผู้มีศิลปะเป็นผู้หาค่าไม่ได้เมื่อเรายังมีอยู่เขาจงอย่าชิบหายเราจะให้สัญญาแก่เขามานบน้อยนั้นเข้าไปหานายช่างแล้วตามว่า การงานของท่านที่ประสาทสาเร็จแล้วหรือยังก็เมื่อนายช่างบอกว่าสาเร็จแล้วเขาจึงกล่าวว่าพระราชมารมีประสงค์จะปลานท่านห้ชิหายเพราะฉะนั้นท่านบึงรักษาตนให้ดีนายช่างจึงกล่าวว่านายท่านบอกความนั้นแก่ข้าพเจ้าทำรมอันงามแล้วข้าพเจ้าจะทราบกิจที่ควรทาในเรื่องนี้ดังนี้แล้ว นายช่างนั้นอันพระราชาจกุมารตรัสตามว่าการงานในประสาทสำเร็จแล้วหรือจึงได้ทูลกับโพธิราชุกุมารว่าข้าแต่สมุติเทพการงานที่ประสาทยังไม่สำเร็จก่อนยังเหลืออีกมากราชุกุมารชื่อว่าการงานอะไรยังเหลือนายช่างข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์จะทูลให้ทราบในภายหลัง ขอพระองค์จงตรัสสั่งให้ใครๆขนไม้มาก่อนเถิดราชกุมารจะให้ขนไม้ชนิดไหนมาเล่านายช่างเอาไม้แห้งหาแก่นไม่ได้พระชก้าแล้วเจอจึงได้รับสั่งให้ขนมาให้แล้วลําดับนั้นนายช่างตูลพระราชกุมาร น, นั้นว่าข้าแต่ส ม, มุทิเทพจําเดิมแต่นี้ พระองค์ไม่ปึงเสด็จมาสํานักของหม่อมฉันเพราะเมื่อหม่อมฉันทํางานที่ละเอียดอยู่เมื่อมีการสนทนากับคนอื่นความฟุ้งซ่านก็จะมีอันหนึ่งเวลารับประทานอาหารภริยาของข้าพระองค์เท่านั้นจะนําอาหารมาพระราชกุมารทรงรับคาแล้วฝ่ายนายช่างนั่งถากไม้เหล่านั้นอยู่ในห้องห้องหนึ่ง ทำเป็นนกครุฑควรที่บุตรภรยาของตนนั่งภายในได้ในเวลารับประทานจึงสั่งภรยาว่าหล่อนจงขายของทุกสิ่งอันมีอยู่ในเรือนแล้วรับเอาเงินและทองเอาไว้ฝ่ายพระราชกุมารก็รับสั่งให้ล้อมเรือนไว้ทรงจัดตั้งการรักษาเพื่อประโยชน์จะไม่ให้ในายช่างออกไปได้ แม่นายช่างในเวลาที่นกกรุษสำเร็จแล้วสร่างภรยาว่าวันนี้หล่อนพึ่งพาเด็กแม้ทั้งหมดมาเขารับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วให้บุตรและภระยานั่งในท้องนกออกทางหน้าต่างหลบหนีไปแล้วเมื่อพวกอารกาเหล่านั้นพิไรรำพันทูลว่าขอเดชะสมุติเทพ นายช่างหลบหนีไปได้ดังนี้อยู่นั่นแหละนายช่างนั้นก็ไปลงที่หิมมวันตะประเทศสร้างนาครขึ้นนครหนึ่งได้เป็นพระราชาทรงพระนามว่ากันตะวาหนะในคนครนั้นตอนพระาศาสดาไม่ทรงเยียบร่าที่ลาดไว้ฝ่ายพระราชกุมารทรงนำรีว่า เราจะทำการฉลองประสาทจึงตรัสสั่งให้นิมนต์พระาศาสดาทรงทำการประปรมในประสาทด้วยของหอมที่ผสมกันสี่อย่างทรงลาดแผ่นผ้าน้อยตั้งแต่ตทร์นีประตูแรกได้ยินว่าเท้าเธอไม่มีพระโอรสเพราะฉะนั้นจึงทรงดำริว่าถ้าเราจะได้บุตร หรือที่ดาใช้พระาศาสดาจะทรงเหยียบแผ่นผ้าน้อยนี้แล้วจึงสงลาดสาวเธอเมื่อพระาศาสดาเสด็จมาถบ า, ายบังคมพระาศาสดาด้วยเบญจางข้าประดิษฐ์แล้วรับบาดแล้วได้กราบทูลว่าขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเถอพระชก้พระาศาสดาไม่เสด็จเข้าไป แลวเธอส่งอ้อนวอนถึงสองถึงสามครั้งพระศาสดาก็ยังไม่เสด็จเข้าไปพระศาสดาได้ทรงแลดูท่า น, รานพระอนุนพระอนุนเทระทราบความที่ไม่ทรงเหยียบผ้าทั้งหลายด้วยสัญญาณที่พระองค์ทรงแลดูนั่นเองจึงทูลให้พระราชฎุกุมารเก็บผ้าทั้งหลายเสียด้วยคำว่าพระราชุกุมาร ขอพระองค์ทรงเก็บผ้าทั้งหลายเสียเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ทรงเหยียบแผ่นผ้าเพราะพระตถาคตทรงเล็งดูหมู่ชนผู้เกิดในภายหลังตอนพระาศาสดาตรัสเหตุที่ไม่ทรงเหยียบผ้าเท้าเธอทรงเก็บผ้าทั้งหลายแล้วทูลอราตนาพระาศาสดาให้เสด็จเข้าไปภายใน ส่งเลี้ยงดูให้อิ่มน้ำด้วยยาคูและก่องเคียวแล้วนั่งนะที่ส่วนข้างหนึ่งถาวายบังคมแล้วทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมอมฉันเป็นอุปปัฏของพระองค์ถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งสามครั้งแล้วคือในยะว่าข้าพระองค์อยู่ในท้องถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สอง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 ถ้าเราจะได้บุตรหรือที่ดาไซพระศาสดาจะทรงเหยียบแผ่นผ้าน้อยของเราแล้วจึงลาดแผ่นผ้าน้อยราชกุมารเพราะเหตุนั้นอาดมาภาพจึงไม่เหยียบแผ่นผ้าน้อยแต่พระองค์ผู้เจริญก็หม่อมฉันจะไม่ได้บุตรหรือที่ดาเลยทีเดียวหรืออย่างนั้นราชกุมารข้อนั้นพระเหตุไรพระชจ้าา เพราะความที่พระองค์กับพระชายาเป็นผู้ถึงความประมาทแล้วในอัตภาพก่อนในการไหนพระชก้าตอนบุรุพกรรมของโพธิราชจุกุมารลำดับนั้นพระาศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแสดงแด่พระราชจุกุมา น, นั้นว่าในอดีตการมนุษ หลายร้อยคนเล่นเรือลำใหญ่ไปสู่มหาสมุทรเรือเกิดอับปางในกลางมหาสมุทรสองสามีภรรยาคว้าได้แผ่นกระดานแผ่นหนึ่งอาศัยว่ายเข้าไปสู่เกาะน้อยอันมีในระหว่างมนุษย์ที่เหลือทั้งหมดตายในมหาสมุทรนั้น น, น, น, น, น, น, นนั่นแหละกาหมู่นกเป็นนันมากอยู่ที่เกาะนั้นแล เาทั้งสองไม่เห็นสิ่งอื่นที่ควรกินได้ถูกความหิวครอบงำแล้วจึงเผาฟองไข่นกทั้งหลายที่ตานเปลิงแล้วเกิ้วกินเมื่อฟองไข่นกเหล่านั้นไม่เพียงพอก็จับลูกนกทั้งหลายปิ้งกินเมื่อลูกนกเหล่านั้นไม่เพียงพอก็จับนกทั้งหลายปิ้งกินในปฐมไปก็ดี มัชิมะไหวก็ดีปัดชิมะไหวก็ดีได้เกี่ยวกินอย่างนี้แหละแม้ในไหวหนึ่งก็ไม่ได้มีความไม่ประมาทห น, นึง่งบรรดาชนสองคนนั้นแม้คนหนึ่งก็ไม่ได้มีความไม่ประมาทตอนพึงรักษาตนไว้ให้ดีในไัยทั้งสามพระศาสดา ครั้นทรงแสดงบุรพกรรมของโพธิราชจุกมา น, นั้นแล้วตรัสว่าราชจุกมานก็ในการนั้นถ้าโปร่งกับภรรยาจะมีความไม่ประมาทแม้ในวัยหนึ่งไสบุตรหรือธิดาพึงเกิดขึ้นแม้ในวัยหนึ่งก็ถ้าบรรดาท่านทั้งสองแม้คนหนึ่งจะได้เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วบุตร หรือที่ดาจะอาศัยผู้ไม่ประวาทนั้นเกิดขึ้นราชกุมารก็บุคคลเมื่อสําคัญตนอยู่ว่าเป็นที่รักพึงไม่ประมาทรักษาตนแม้ในวัยทั้งสามเมื่อไม่อาจรักษาได้อย่างนั้นพึงรักษาให้ได้แม้ในหวัยหนึ่งดหงนี้แล้วที่ได้ตรัสประกาศานิว่า อาตาณเจปียังชัญญาราเกยะนังสุรักีตังตินังอัญยะตรังยามังปฏิชักเกยะปันดิโตแปลว่าถ้าบุคคลทราบว่าตนเป็นที่รักพึงรักษาตนนั้นให้เป็นอันรักษาด้วยดีบันดิตพึงประคับประกองตนตลอดยามทั้งสาม ยามใดยามหนึ่งตอนแก้อัดบรรดาคําเหล่านั้นคําว่ายามังแปลว่ายามนี้พระศาสดาทรงแสดงธรรมไว้ทั้งสามไวไ้ใดไว้หนึ่งให้ชื่อว่ายามเพราะความที่พระองค์เป็นใหญ่ในธรรมและเพราะความที่พระองค์ทรงฉลาดในเทศนาวิธีประเหตานั้นในพระคาตานี้บัณฑิต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 หรือผู้เป็นบนรรพชิตถึงความขวนขวายในวัดปฏิบัติปริยัติและมนสิการอยู่ชื่อว่าย่อมรักษาตนบุรุษผู้เป็นบัณดิตเมื่อไม่อาจทำอย่างนั้นในสามวัยต้องประคับประกองตนไว้แม้ในวัยใดยวัยหนึ่งก็ได้เหมือนกันก็ถ้าผู้เป็นครือขัดไม่อาจทำกุศลในปฐมวัย ประการเป็นผู้หมกมุ่นอยู่ในการเล่นไสในมัชชิมวัยพึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญกุศลถ้าไหนมัชชิมวัยยังต้องเลี้ยงบุตรและภรรยาไม่อาจบำเพ็ญกุศลได้ไสในปัจฉิมวัยพึงบำเพ็ญกุศลให้ได้ด้วยอาการแม้อย่างนี้ตนต้องเป็นอันเก่าประคับประกองแล้วทีเดียว แต่เมื่อเขาไม่ทำอย่างนั้นตนย่อมชื่อว่าไม่เป็นที่รักผู้นั้นเท่ากับทำตนนั้นให้มีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าทีเดียวก็ตะว่าบัรพชิตในปฐมวัยทำการสาธยาอยู่ทรงจำบอกทำวัดและปฏิบัติอยู่ชื่อว่าถึงความประมาทในมัชชิมวัย พึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมอนหนึ่งถ้ายังสอบถามอัตตะขาและมินิัยและเหตุแห่งพระปริยัติอันตนเรียนแล้วในปฐมวยยัยูชื่อว่าถึงความประมาทในมัชิมวัยในปจิมวัยพึงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมด้วยอาการแม้อย่างนี้ ตนย่อมเป็นอันบนรรปะชิตนั้นประคับประกองแล้วทีเดียวแต่เมื่อไม่ทำอย่างนั้นตนย่อมชื่อว่าไม่เป็นที่รักบรรปะชิตนั้นเท่ากับทำตนนั้นให้เดือดร้อนด้วยการตามเดือดร้อนในภายหลังแหละในการจบเทศนาโพธิราชกุมารตั้งอยู่ในโสดาปฏิปลแล้วพระธรรมเทศนาได้สําเร็จประโยชน์